พูทั่วสัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่การปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะคะทางวิทยุแล้วก็ฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธพจน์หรือพุทธวจนะจากพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเแห่งนี้ รายการนี้เราก็ปรับนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ประโยชน์เต็มที่เพราะเข้าใจดีว่าคนในยุคนี้สมัยนี้เวลามีค่าเหลือเกินโอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบเป็นทางการนั้นก็หาได้ยากแต่อย่างไรก็ะทำก็ควรหาเพียงแต่ระหว่างนี้เราไม่ยอมให้เสียเวลาก็มาสะสมกุศลจากการปฏิบัติไปพร้อมๆกับ ทางรายการดิฉันเองก็นั่งปฏิบัติกับท่านด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาฟังการสนทนาธรรมกันไปพบกับพระอาจารย์ที่จะนําท่านปฏิบัติธรรมและนําพระสูตรของพระาศาสดามาทําให้เราเกิดความรู้คะ่ะกราวนพัส ก, การกับท่านพบูรลคะ่ะเัยพรในช่วงต้นของรายการเราก็มาใครก่กรวนเรื่องที่พระชาติตรัสไว้นั่นคือการปฏิบัติเนี่ยหมายถึงการที่จิตของเราสงบระ ง, งับะเป็นอารมณ์เดียวมีสติไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวผู้ที่เป็นอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือว่าอยู่ที่ทํางานแล้วก็ตามจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะผู้ที่มีจิตอย่างนี้ชื่อว่ามีธรรมะอยู่ในใจเป็นธรรมวิหารีนะโดยการที่เรามีสตินะไม่ลืมหลงสติมีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้มีสติเป็นที่ระลึกถึงคือให้ใจของเราเนี่ย มาตั้งไว้สักที่ใดที่หนึ่งในที่นี้คือให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจของเรานะเราจริตของเรามาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันดีทันใดนั้นคือสติเราก็เรียกว่าตั้งสติขึ้นไว้แตนะ่เมื่อเราตั้งสติขึ้นได้แล้วนะธรรมะบทใดๆที่เราใคร่ครวญก็ตามจะมีความแจ่มชัดขึ้นมาได้วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องที่พรชาได้ตรัสไว้ในะที่เมืองราชกฤลนะตอนนั้นอยู่ที่วัดเวรุวันนะเป็นวัดที่ท่านพระเจ้าปิมพิสาร ได้ถวายเอาไวา้พนะรชาตรัเรล่อพิสุจทั้งหลายมาแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังตรัสไว้ดังนี้ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วในการก่อนมีบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดเรื่องความคิดเรื่องโรคจึงออกจากนกราจจครราชกฤตไปสู่สะ บ, บัวชื่อสุมาคถาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสาในที่นั้นบุรุษนั้นได้เห็นแล้วซึ่งหมูเ่เสนา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 แล้วเป่าร้องแก่มาชนว่าท่านผู้เริญข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมีเสียงถามมาว่าท่านเห็นอะไรเขาก็ตอบแล้วตามที่เห็นทุกประการก็มีเสียงรับรองว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้เริญเนยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้วปีกสุ์ตรงงหลายแต่ว่าบุรุษนั้น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 หลอกพวกเทพให้หลงค้นกันอยู่ภิกสูตรทั้งหลายเพระเหตนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกโดยนัยยะที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นข้อนั้นเพระเหตุไรเล่าเพราะการคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งปรมาจันทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนี่ผ่านเลยแต่ว่าเมื่อพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างนี้เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า เพราะว่าความคิดนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของปรมจรันเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานผีสุดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงทำความเพี่ยนเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดอนี้คือพระสูตรที่ให้เราใคร้ครวนในเมื่อเราใคร่ครวนแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจแล้วก็ฟังธรรมต่อไปสาธุค่ะท่างฟังก็คงจะได้นั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังพระสูตรที่ท่านเพบูลได้เล่าให้เราฟังไปอ่าบางคนอาจจะบอกว่า สามารถทำสมาธิได้จริงๆหรอในขณะที่ยังมีเสียงให้เราได้ฟังเพราะในสมัยเรียนหนังสือจำได้เลยว่าเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยคุณแม่ยังมาพูดไม่ได้เลยต้องให้คุณแม่ไปอยู่อใกล้ๆ เ, เป็นไปได้หรอคะธรรมะเอาก็ดูอย่างอาตอนที่พระพุทธาแสดงปฐมเทศนาะพิป่าอีศิบัตนาเมริขไทยวันในพระพุทธจ้าก็เทศไปในวิสุปัญจบวิคีก็นั่งฟังไปแล้วก็จิตกึศทนได้อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้น <N> นะคะแล้วนีน่ยังแถมฟังคําพระพุทธเจ้าด้วย<ช>แถมเล่าเป็นเรื่องนึกตามเนี่ยน่าสนุกจริงๆนะคะ <laughs> ถ้าเกิดเป็นเราบ้างโอ้โหนั่งอยู่แล้วก็เห็นกองทัพเดินเข้าไปในเง่าบัวเนี่ยอ oh, หรือ <m> ่อาจจะสติแตกไปเลยก็ได้ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีทําเป็นหนังเป็นละครอะไรต่างๆเดือดรักอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องประหลาดมากๆเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปคิดแล้วมันมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันพิสดารได้มากไปกว่านั้นมากมายนะแต่ไม่จบไม่สิ้น โรคเทียงโรกไม่เทียงนี้ห้ามคิดเลยใช่ไหมคะคือหมายว่าถ้าคิดแล้วคือมันจะเนิ่นช้านะมันมันไม่เป็นไปเพื่อปัญญานั่นเองก็ให้มาคิดในสิ่งที่ถูกคือเรื่องอริยศาสตร์ในแนวทางของอริยสัจนะคือไม่ใช่ว่าเราไปคิดไม่ได้คือคือต้องต้องแยกความคิดนี้นะคือถ้าคิดแล้วมันจะเผลอเพลินแล้วออกนอกมรรคอันนั้นแสดงว่าเป็นการคิดที่ผิดนะค่ะ สาธุค่ะงั้นหมายความว่าถ้าย้อนกลับอีกทีนะคะก็ขนาดพระพุทธองค์ยังทรงตรัสรับรองว่ามีจริงอที่เห็นเป็นกองทัพเดินเข้าไปในเง่าบัวน่ะเป็นกองทัพอสูรผู้พ่ายแพ้ถูกไหมคะเจริญบารใชก็แปลว่าเรื่องทํานองนี้บนโลกใบ น, นี้นี่มีจริงอีกหลายเรื่องสิคะโอ้โหมีหลายเรื่องที่พี่เจ้าไม่ได้สอนด้วยซ้ํานะคือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ กับใบไม้ที่อยู่บนต้นใบเยอะๆกับใบไม้ที่อยู่ในกํามือนิดเดียวนั่นคือเรื่องที่พระเาบอกสอนตอนนั้นเองเมื่อไม่กี่วันก็หลายวันเหมือนกันนะคะที่ฉันดูในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเป็นสมาชิกกันอยู่เนี่ยก็มีคนส่งภาพท้องฟ้าอบนท้องฟ้านั้นก็มีเหมือนกับเป็นเทวดามีปีกอะไรเงี้ยลอยบนท้องฟ้าแล้วก็มีการตั้งคําถามกันว่านั่นอะไรอืม แต่ละคนก็วิจารณ์กันไปแต่ละอย่างละนักวิทยาศาสตร์ก็พูดไปอย่างหนึ่งตำรวจก็ว่าไปอย่างหนึ่งใช่ไหมที่ฉันกําลังจะถามว่าท่านรับรองได้ไหมครับว่านั่ น, นอาจจะเป็นของจริงทเทวดาลอยมาเลยเพราะตัวดูเป็นเหมือนคนเลยะค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้หรื อ, ออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่นะถามว่าคิดแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่ถ้าจะคิดควรคิดในแนวยะไหน คือถ้าจะคิดแล้วก็จะฟุ้งเฟอ้อเป็นการาทําให้มีความบาดหมาง ก, กันทะเลาะ ก, กันอ่านันการบาดหมาง ก, กันทะเลาะที่จะเกิดเป็นผลตามมา น, นั้นไม่ดีนะเราจึงควรหยุดซะแต่ถ้าคิดวิเคราะห์ในลักษณะว่าอ๋อนี้เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดทุกขนะ์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ถ้าคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นในลักษณะอริยสัจสเอออันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์ไดนะ้เพราะอะไร พระผลที่จะเกิดขึ้นคือเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งและนิพนธ์นะเราเราจรึงต้อง ต, ต้องแยกแยะตรงนี้เ อ, อ่ค่ะทีนี้พอท่านพูดเช่นนั้นสมมุติว่าเอาตัวอย่างที่ดิฉันยกขึ้นมาเนี่ยมาเป็นกรณีที่จะให้พิจารณาอริยสัจทุกอยู่ตรงไหนล่ะคะที่เห็นรูป ก, ก้อนเมฆคล้ายๆเทวดาลอยน้านักการทุกข์คืออะไรทุกข์คืออะไรทุกข์นขนคือขันหะทุกข์คือขั น, ขนหะ แต่ถ้าเราพิจารณาว่าอ๋ออันนี้ก็คือขันธ์หน้าอย่างหนึ่งอ๋อมันไม่เที่ยงนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นในความทุกนี้แต่ว่ามีมีสภาวะที่ไม่เที่ยงแต่แน่นอนอ่ะอันนี้คุณเห็นได้อ๋อขันธ์หน้าคือรูปใช่เวทนาความชอบไม่ชอบพอใจไม่ชอบใจนะใช่สัญญาจำได้หมายรู้ถูกต้อสังขารปรุงแต่งอืมวิญญาณแล้วก็วิญญาณการตับรี้ไปรู้ใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นพอเราเห็นปุ๊บอ๋อนี่ขันธ์หน้า โอ้ oh, แสดงว่าถ้าเรามีความยึดในขันห้านั้นอันนี้มันจะเป็นเหตุเกิดทุกข์นะเราเห็นตรงนี้ได้เอาแล้วทาไงถึงจะถึงจะแก้ไ ข, ขงปัญหานี้ได้ต้องละตัญหานะไอ้ความยึดถือต้องไม่มีนะจะทำยังไงเงินฉันต้องปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะมีศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้นะคุณโยมติยวเราเห็นอะไรเป็นธรรมะได้หมดเลยค่ะกันฟังค่อยๆตามนะคะคือท่านพิบูลกําลังจะพูดว่า ภาพในลักษณะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาถ้าพิจารณาในแนวอริยสัจสี่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทุกขคืออะไรแล้วท่านก็บอกว่าทุกเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงถูกไหมคะถ้าบอกว่าเป็นขันห้าแล้วไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรอ่ะเอาตัวอย่างกับรูปนี้ไม่เที่ยงตรงไหนเหรคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดมันมีสภาว ะ, ะที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคือนค1นะึ่สิ่งที่เป็นทุกเนี่ยพระเจ้าให้ definition ให้ความหมายไว้3อย่าง คือหนึ่ง <Okay. S 1> นะตัวมันเองทนอยู่ได้ยากนะทนอยู่ได้ยากทนอยู่ได้ยากนี่หมายความว่าไงเ <c oughs> ช่นเราเอาน้นนําแข็งมาก้อนหนึ่งเราจะให้มันทนแข็งอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันไม่ได้มันต้องปลี่ยน <Okay. S 1> นะนี่คือสภาวะที่เรียกว่าทนอยู่ได้ยากนะ <Okay. S 1> ตัวมันเองทนได้ยากสองนะตัวมันเองเอปรุงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะนี่คือขอ้อที่สองนะมันไม่เที่ยง <Okay. S 1> นะเช่นอะไรบ้างโอ้ยมันน้ำไม่ท่วงเลยสิ่งที่ไม่เที่ยง มีทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะสมปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันนี่คือข้อที่สามเข้าใจยากค่ะข้อนี้อเช่นว่าคุณกินอาหารเข้าไปแตนะ่คุณเอาอาหารมาปรุงปรุงเป็นเป็นอาหารออกมาชนิดหนึ่งเป็นข้าวผัดเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเป็นข้าวผัดคุณกินข้าวผัดไปมันก็ไปเสริมสร้างร่างกายมันปรุงแต่งตัวเองเออกมาเป็นอุจจระ นัมันก็ไปปรุงแต่งร่างกายของเราให้ออกมาเป็นอย่างอื่นเช่นถ้าเรากินอาหารเผ็ดเราก็จะรู้สึกร้อนรู้สึกอะไรตัวมันเองปรุงแต่งออกมาเป็นอุจจาระร่างกายของเราก็ร้อนขึ้นนี่ปรุงแต่งตัวเองและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันค่ ะ, ะนี่คือข้อที่สามแต่ถ้ามันมีคุณสมบัตินี้น่ชาชัดเจนเลยมันเป็นทุกข์แน่นอนฟันธงค่ะดังนั้น อ, อันนี้ก็ทําให้เรารู้คํำจำกัดความที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เกี่ยวกับ ทุกในอริยศาสตร์เลยนะคะเนี่ยใช่ใช่ทนอยู่ได้ยากมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาปรุงแต่งตัวเองแสิ่งอื่นไปพร้อมกันแต่ที่ฉันคิดว่าจําง่ายๆเลยที่ท่านบอกอุปมาก้อนน้าแข็งนะคะอืน้ําแข็งคือตัวทุก <laughs> แล้วก็ <laughs> <ๆ>ไปเวลาจําเข้าห้องสอบเนี่ยจาน้ําแข็งแล้วก็ไปอธิบายไปเข้อสอบมาแน่นอนคุณยมติ๋วค่ะนะคะอันก็พิจารณาดังนี้ค่ะ <laughs> มันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้เอายอตัวอย่างเช่นว่าเอ่อเรื่องที่เราเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมะได้หมดอย่างใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงถ้าถ้าเราเห็นในลักษณะที่จะเป็นไปเรื่องโลกนะจะเป็นไปเพื่อความไม่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะ เราก็จะไปวิเคราะห์ต่อไปเฮ้ยนักเพื่อศาสตร์เขาก็จะเห็นว่ามันเป็นพันธุ์อะไรมันโตมายังไงน่ะต้องใช้ปุ๋ยอะไรนะใครปลูกที่ไหนอากาศเป็นยังไงถึงจะดีออกผลทำอะไรได้บ้างวิเคราะห์วิจัยไปบ่มบางบ่มบาไปเปลอเปลินไปอันนี้คือทางที่1ที่คุณจะไปได้นะคือทางโลกเดนนี้หรือทางที่2ที่คุณจะไปได้คือทางธรรมะน่ะคือการที่จะเป็นไปเพื่อความหนายไกลกำเนิดระงับรู้ยิ่งรู้ปรามนิพานน่ะคือเห็นใบไม้ร่วงเนี่ย เราเห็นโอใบอ่อนก็ร่วงแฮ่ใบแก่ก็ร่วงแฮนะ่ในอุปมาเพระาะไมเหมือนกับคนคนอายุน้อยกว่าตายได้ฮ่คนอายุมากกวตายได้ฮ่เห็นทําไมอย่างนี้ก็ได้หนะาวง่ายๆแค่นี้น ะ, ก, นะรรก็นายะอริยสัจสี่เหมือนกันนะสองคนเห็นสองเห็นอย่างเดียวกันเนี่ยสองคนเห็นอย่างเดียวกันคนหนึ่งไปทางเพลิเพลินนะเนิ่นช้าอีกคนหนึ่งไปทางนิพพานนะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคิดอย่างนี้ต้องคิดเรื่องอริยสัจอย่างนี้ค่ะ สรุปแล้วทุกเรื่องเนี่ยคิดให้ได้คิดให้เป็นอริยศาสตร์ได้หมดเอาอย่างเรื่องร่างกายของเราหมอเขาเรียนเขาผ่าศพอ่ะผ่าอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยลอกบาทีละชัน้นลอกบาทีละชัน้นนะจากหนังจากเนื้อไปแล้วลุยต่อเข้าไปจนถึงเลยแต่กระดูกนะจน 3-4 มสี่ปีก็ร่างอาจารย์ใหญ่ก็หมดไปอทำพิธีกรรมเผาไป น, านี่คือที่เขาแต่เขาจะต้องเรียนนะว่านี่อวัยวะนี้เรียก อ, อะไรอันนี้เรียก อ, อะไรมันต่ออันนี้ อ, อะไรเส้นเลือดอะไรนะจำชื่อให้ได้ไปสอบ นะสอบตกไม่ได้อสอบไม่ได้ก็ตกซ้าชั้นเรียนใหมนะ่สอบผ่านได้ก็ดีจบนะมารักษาคนได้อันนี้เขาก็ไปไปทางหนึ่งรหรือคนที่อย่างพระพิจรารณาสุภะผู้รู้เชาให้ลอกหนังออกนะเหมือนอนายโคที่เขาฆ่าโคอยู่ริมทางสี่แยกนะแบ่งคนออกเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมกระดูกหนังเนื้อเพื่อให้น้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้กายของเราก็เป็นอย่างนี้จะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นะเราก็วางซะ นี่ก็ทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่จะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดปล่อยว่างแต่มันก็จะต่างกันคตรงนี้นะนี่คือตัวอย่างที่3านมะทุกอย่างไปมองเป็นธรรมะได้หมดเลยนะคนด่ากันออกทีวีเอานะถ้าคนที่อยู่ฝ่ายหนึ่งก็จะดีใจมากเลยเขาด่าฝ่ายตรงข้ามคนที่อยู่ฝ่ายหนึ่งก็จะจี๊ดมากเลยเขาดา่าฉันใช่ไหมนี่ก็ทางหนึ่งแต่คนที่เห็นเป็นธรรมะนี่ก็จะรู้ว่าโอนี่เป็นเครื่องขูดกล้า แตเขาด่ากันเราจะไม่ดา่าเขาจะพูดสอเสียกันเราจะไม่พูดเขาจะพูดโกหกกันฉันจะไม่ทำอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมาดาคเอก็ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พอควรแก่การอธิบายในพระสูตรที่ท่านได้ยกมาไม่ค่ะดิฉันก็ได้ขอนอนุญาตไปต่อเรื่องอื่นเชิญเช น, นะคะค่ะท่านฟังคะก็เท่ากับจะสรุปเรื่องข้างต้นคือพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสว่าเราเนี่ยไม่ควรจะไปเสียเวลา กับการสนใจในเรื่องประหลาดทั้งหลายทั้งปวง <ừ m. S 2> บนโลกใบนี้ถ้าจะให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยนะทุกๆเรื่องที่ได้พบได้เจอให้พิจารณาในแนวทางอริยสัจนะคะทุกเป็นยังไงเหตุเกิดทุกเป็นยังไงวิธีดับทางดับเป็นยังไงวิธีดับเป็นยังไงเดี๋ยวบ่ายก็จะได้ผ่านเข้ามาเรื่องที่สองดิฉันเองเนี่ยระยะหลังก็เป็นไปตามความสนใจคือสนใจในเรื่องธรรมะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวจะคุยกับคนรอบข้างก็จะคุยเอาธรรมะใส่เข้าไปวันหนึ่งก็มีเพื่อนสั่งสอนกันทั้งคะ เ, เร็วนี้เอง เ, เพื่อนก็บอกว่ายังต้องโลดแล่นอยู่บนยุท ธ, ธจักรหมายถึงว่ายังจะต้องมีชีวิตแบบคนธรรมดาเนี่ยยังธรรมะที่คุยกันเนี่ย ม, มันเป็นเรื่องพาไปนิพพานอ่าเาด็กฉันก็เลยชักเอะเร า, าเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าควรที่จะเอาให้พอดีพอือีค่ะพอดีพอดีอดมันก็ก็พอดีของใครอ่นะมันก็อยู่ที่พอดีของใครคือถ้าถ้ายังเป็นคารวาสครองเรือนอยู่เนี่ยอดมาเข้าใจอยู่ว่าเวลาถ้าเราจะพูดถึงเรื่องวิมุตต์หลุดพ้นเอ้ยมันก็เขาอาจจะเบื่อกันว่า น, นี่เป็นเรื่องของพระเรื่องของสมณะนะนะซึ่งซึ่งทําให้บางคนก็ก็ก็เรียกว่าโอ้ยไม่สนใจเลยนะปล่อยทิ้งปล่อยวางไปเลย นแตจริงๆ <คะ S 1> เรื่องนี้ เ, เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าชีวิตข้อที่1คือชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอายุสัน้นแะตเราเราไม่แน่ใจได้ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรไหมนะหรือว่าเราจะมีปัญหาใดใดเกิดขึ้นในชีวิตนะข้อที่หเพราะฉะนั้นถ้าเราเพลอเพลินประมาทไปเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรสนใจเราจะพลาดนะข้อที่2อนงะคือไม่ใช่ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามีรูปแบบที่ว่าวิมุตต์หลุดพ้นอย่างเดียวนั่นนนั้คือปลายทางสุดๆนู่นเลยที่ ทุกคนควรจะไปถึงอยู่แต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยอย่างเรื่องความขยันขันแข็งเอ้ยอันนี้เราควรจะต้องมีนะเช่นเรื่องความเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในเพื่อนร่วมงานเอ้ยอันนี้เราควรจะต้องมีนะซึ่งอันนี้เป็นธรรมะเหมือนกันนะคุณยมติวซึ่งเป็นทางเดียวกันกับที่จะพาคุณไปถึงนิพพานได้แต่มันอาจจะช่วงต้นๆหน่อยช่วงระหว่างทางอย่างนี้นะซึ่งเราก็ทําตรงที่เราทําได้ใช่นี้คือข้อที่2อง่ตรงนจะหมายความว่าอ่ะงั้นท่านมีข้อที่สามปะคะท่านไปจบก่อนก็ได อ๋อค่ะคือท่านกําลังหมายความว่าดังนั้นคนที่รู้ว่าอค่านิยมของสังคมอะไรเป็นสิ่งที่ดีและพยายามทําอยู่นั่นก็คือปฏิบัติธรรมถูกต้องเลยมีชีวิตอยู่ได้ธรรมะนะใช่ไว่าเราเลี้ยงดูลูกของเราอย่างดีนะมีความรักความเมตตาให้เขาห้ามเขาเสียใจบายให้เขาตั้งอยู่ในความดีนำพาไปโรงเรียนให้ศึกษาศิลปวิทยานํำมอบบัตรดอกให้ตามเวลาโหนี่คุณเป็นพ่อแม่ที่ดีมากเลยนะนะคุณปฏิบัติธรรมน ะ, ะนะคุณตั้งอยู่ในธรรมนะ เออค่ะ<ม>อย่างนชเมตตาลูกเราอืมแต่ว่าในความเมตตาต่อลูกเรานี้ใครจะมานิดๆหน่อยๆกับลูกเราไม่ได้เลยต้องเป็นแม่ไก่ปกป้องสําหรับลูกเราเราเป็นนางฟ้าออสําหรับคนอื่นเราเป็นนางนางมันร้ายอันนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้จะมีความจะเขาเรียกว่าจะมีความเศร้าหมองในในการดํารงอยู่ด้วยธรรมของเราคือด้านนี้เราทําดีแต่อีกด้านหนึ่งเราดันเศร้าหมอง เนะี่มันก็จะมีความเศร้าหมองจะไม่มีความประพัดสอนเกิดขึ้นเนะี่ยเราก็ทําให้มันละเอียดขึ้นเนะีคือมาร์เนี่ยอย่างศีลสมาธิปัญญาอาตมากาลังพูดถึงเรื่องง่ายๆเช่นว่าเรามีความเพียรในงานการของเรานะีแต่ถ้าคุณเพียรเรื่องเดียวคุณไปเพียรเรื่องเล่นเกมอย่างเงี้ยเนี่ยไปเพียรเรื่องที่มันไร้สาระอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ก็ต้องเอาความเพียรตรงนี้เอากําลังคือความเพียรตรงนี้ไปใช้เรื่องการงานสิไปใช้เรื่องการติดต่อผู้คนสิไปใช้เรื่องการที่จะผลักดันให้มีผลิตผลได้ออกมาสักอันได้อนหนึ่งนะมันก็จ ะ, ะดีขึ้นมาอย่างท่านคะดิฉันขออนุ ญ, ญาตที่จะกลับเรียนถามประสบการณ์ของท่านเอ ง, องนะดิจะบาปไหมคะได้ได้คือเหมือนกับว่าอย่างกับพระสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจบวชเข้ามาเพื่อเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม ไปสู่ปลายทางที่พระพุทธเจ้าอยากให้ทุกคนได้อืมคือพ้นทุกข์ใช่ฉันก็เห็นคนที่เข้าวัดเนี่ยนะคะอืมก็ทํานองเดียวกันก็มีความตั้งใจกันทุกคนเลยแต่มันมีหลายตัวอย่างคะ่ะที่เราได้พบว่าในระหว่างทาง่ยแม้กระทั่งตัวเรานะคะอืก็มันมันเหมือนกับมันมีการตื้อจากเรื่องรอบตัวเนี่ยฉันไม่ทราบว่าความยากของการปฏิบัติซึ่ง ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่พระสงฆ์ปฏิบัติแต่อาจจะแตกต่างกันในปริมาณนะนะคะเตืนนอนฟาอกับดักของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนท่านเคยพบหรือไม่คะเอ่อตื้ดนี่หมายถึงจี๊ดใช่ไหมค่ะใช่ค่ะหมายว่ามันมันมันแบบว่ามันสะกิดใจสะเทือนใจหรือว่าคือถ้ารอ ม, ม, มองเข้าไปโดยคนอื่นอย่างอย่างตัวเรามองเพื่อนที่ร่วมวิธีปฏิบัติอย่นี้นะร่วมการปฏิบัติเราจะได้พบเลยว่าอ๋ออันนี้ก้าวไม่ผลนหรือว่า รู้แต่ทําไม่ได้แม้ขระังตัวเองด้วยค่ะอุปสรรคมันคืออะไรคะอุปสรรคของการปฏิบัติเนี่ยคือ ค, คือเรื่องของนิวรณ์เอาเอาเบื้องต้นก่นมันจะมีหลายขั้นอยู่แล้วอย่างกลางกลางอย่างกลางๆก็คือนิวรณ์ห้ใน น, นิวรณ์หคือความที่เรามีความฟุ้งซ่านอันนี้อันที่หนึ่งอันที่2คือความที่เรามีความลังเลสงสัยอันที่สามคือความที่เราง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้คร้าน อันที่4ี่คือความพยาบาทอันที่ห้าคือความอยากความเพ่งเลงห้5นะอย่างนี้คือคือเครื่องกลางกัน้นะเครื่องที่จะเป็นอย่างกลางนะเป็นอุปสรรคอย่างกลางที่จะทําให้เราไปไม่ถึงนะอุปสรรคอย่างต้ น, ตนๆง่ายๆแรกๆเลยนะคือการเพ่ ง, เพงโทษคนอื่นนะความที่เราไม่สามารถจะตั้งอยู่ในศีลได้นะความที่เราไม่สามารถจะรักษากายวาจาให้มันบริสุทธิ์ได้เราเพ่งโทษเราก็ด่าคนอื่นก็ล้ นะเราคิดว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนะทําไม่ดีสื่อไงว่ามีกายมีวาจาที่ทําออกไปเนี่ยอันนี้คือคืออย่างห ย, ยาบๆนะแต่ถ้าเราคิดอยู่ในใจแต่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้กระทําอันนี้ก็เป็นการพยาบาทเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างกลางคือกายวาจาของเราอาจจะคุมได้อยู่แต่ว่าใจของเราเป็นอ่างฮึ่มๆอ ย, อยู่มันจีดขึ้นมาในะคิดว่า oon, คนเนี้ยดูสิเป็นอย่างเนี้ยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยในะคิดไปโู่นล่ะแสดงว่ามีความพยาบาทอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างกลางที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอน รายละเอียก็ยังมีนะ เ, เช่นเรื่องที่ความต้องคมจิตมากเกินไปเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายในวาต่อไปแ ต, แต่สองอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนคืออย่างยาเป็นอย่างกลางและมีแน่ค่ะก็คือว่าจากประสบการณ์ในความเป็นสมณะของท่านก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วเป็นเหมือนกับดักหรือว่าเป็นอุปสรรคใช่เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ ก็มีโอกาสที่จะประสบกับสิ่งเหล่านี้ได้ขอให้รู้ว่ามีไว้ก้าข้ามใช่ไหมคะถูกต้องมีไว้ให้ให้ใหใหทิ้งให้ละไอ้พวกอุปสรรคพวกนิวรณนพวกอกุศลธรรมเนี่ยให้ทิง้งไหพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้นิดเดียวไหเหมือนกับว่าเวลาเราล้างทองไหทองเอามาเนี่ยต้องล้างเศษที่มันหยาบๆออกไปก่อนเสร็จแล้วก็มาล้างอย่างกลางๆแล้วก็เป็นล้างอย่างละเอียดเศษนี้เราต้องทิ้งในที่เราจะเอากือทองนะกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบก็อย่างที่พูด ว่าไอ้พวกกายวาจาแต่ไม่ยังกล้างกับพวกนิวรอยอย่างนี้เ ป, ป็นต้นนะค่ะเจนพานะคะก็หายสงสัยไปเยอะแล้วทีฉันคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายด้วยเหมือนกันในสิ่งที่นํามาสนทนาในช่วงท้ายนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านคะเจนพากราบพระรการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเจนพานเพิงฟังคะที่ฉันก็มีความเข้าใจนะคะว่าไอ้การที่เราจะมาปรบลฤ้อในหลายสิ่งหลายอย่างตามธรรมซึ่งอาจจะต้องลด ละเลิกในสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นบางครั้งเราก็ลำบากเหมือนกันนะคะที่จะเดินต่อไปได้ตลอดกว่าจะรู้ตัวก็เอาเผลอพลั้ลงเอาหลุดนอกกรอบไปซะอีกแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญธรรมอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในอาริมารมีองค์8ว่าเราจะต้องมีกันให้ได้ถ้าอยากก้าวผ่านความทุกข์นั่นคือเรื่องของความเพียรค่ะ เรามารับฟังรายการสันนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันนิษฐานาพงกันใหม่นะคะในวันถัดไปสำหรับวันนี้พุทวาสวัสดีค่ะ